อัาอภานาระหะวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ควรแก่อัภานสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่อัภานยินดีการที่ประกาตศตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ํา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษละตำหนิประนามโพนทนาว่าฉไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่อภานยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่าแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ